ที่จริงถ้าหากเราทั้งหลายเข้าใจหลักวิชาในเรื่องนี้เราก็จะไม่สงสัยเลยถึงแม้ว่าเราเองจะไม่เคยมีประสบการณ์เพราะมีข้อเท็จจริงที่สามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงออกจากกันได้กล่าวคือคนที่อ้างว่าเคยเห็นผีหรือเคยได้ยินเสียงหรือว่าเคยมีประสบการณ์ในด้านไหนก็ตามโดยที่สุดแม้จะเป็นการเห็นในความฝัน ถ้าหากเป็นเรื่องจริงแล้วขอให้จาไว้ว่าจะมีความประทับใจอยู่เสมอจะไม่มีวันลืมนึกขึ้นมาทีไรแม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายๆปีก็ยังจําภาพจําเสียงหรือจํากลิ่นได้แม่นยำแต่ถ้าหากเป็นการเห็นเพราะอุปาทานภาพที่เคยเห็นจะเลือนหายไปได้ง่ายแม้จะพยายามนึกสักเท่าไหร่ก็นึกไม่ออก ในเรื่องเสียงและกลิ่นก็เหมือนกันข้อสำคัญอย่าไปหลงกลของคนที่เข้าใจหลักวิชาก็แล้วกันเพราะบางคนทั้งที่ตัวเองเห็นเพราะตาฝาดหรือพอนึกไปเองแต่ก็มาอ้างว่าเขายังจำได้ดีเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเชื่อว่าเขาเห็นมาจริงๆข้อเนี้ต้องระวังด้วยผู้ที่เห็นเพราะมีตัวเป็นสื่อ ก็มีข้อที่ควรจะระวังเหมือนกันกล่าวคือการเห็นที่เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและมักจะตะลึงในขณะที่เห็นในกรณีอย่างนี้สติสัมปชัญญะย่อมจะไม่อยู่กับตัวเพราะฉะนั้นจึงอาจจะมีภาพอุปาทานสอดแทรกขึ้นมาได้ในเรื่องเสียงและกลิ่นก็เหมือนกันอาจจะเกิดจากอุปาทานได้ ยิ่งในความฝันถึงแม้จะมีข้อเท็จจริงยืนยันว่าเป็นการฝันเห็นบุคคลที่ตายไปแล้วจริงๆแต่เพราะเหตุที่ในขณะที่นอนหลับไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นมักจะมีการต่อเติมจากจินตนาการหรือจากอุปาทานของตัวเองได้เสมอแปลว่าสิ่งที่พบเห็นในความฝันนั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมด คนบางคนที่ตายไปชั่วระยะหนึ่งแล้วฟื้นขึ้นมาเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ไปพบเห็นในขณะที่ตายไปนั้นอันนี้ก็เหมือนกันมักจะมีภาพอุปาทานสอดแทรกอยู่ด้วยเสมอเรื่องที่เล่ามาจะถือเป็นความจริงทั้งหมดไม่ได้แต่ก็ขอให้สังเกตว่าตอนไหนที่เป็นเรื่องจริงนั้นจะฝังใจอยู่นานแม้เวลาจะล่วงเลยมาห ล, หลายปีก็ยังจำได้ดี เคยเห็นตัวอย่างคนทรงบางคนในระหว่างที่ทำการติดต่อกับวิญญาณไม่หมดความรู้สึกเมื่อมองดูภายนอกก็เหมือนกับไม่ได้มีการเข้าทรงแต่โดยความเป็นจริงแล้วในขณะนั้นเขาติดต่อได้และสามารถจะทำการติดต่อได้ทั้งวันในกรณีอย่างนี้เคยพิสูจน์มาแล้วว่าเขาติดต่อได้จริงเหมือนกันเรื่องราวต่างๆที่เขาถ่ายทอดออกมา เมื่อเข้าสมาธิไปสอบถามโอปปาติกะที่มาติดต่อก็ปรากฏว่าเรื่องราวที่คนทรงบอกมานั้นเป็นเรื่องที่ออกมาจากโอปปาติกะที่มาเข้าทรงจริงๆแต่ถึงกระนั้นถ้าทำไปนานๆก็มักจะเลอะเหมือนกันคือคำพูดที่บอกมานั้นออกมาจากตัวคนทรงเองแต่ก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงบอกได้ถูกต้อง ทั้งนี้เป็นเพราะเรื่องราวที่เขาบอกนั้นโดยมากเป็นเรื่องที่เขาเคยมีความรู้ความชำนาญมาแล้วในอดีตชาติความสามารถเหล่านี้ยังมีอยู่ในจิตไร้สำนึกของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการกระตุ้นหรือได้รับกระแสจิตจากอีกฝ่ายหนึ่งก็จะทำให้ความสามารถที่เขามีอยู่แสดงออกมาได้แต่ในเรื่องอย่างนี้สามารถจะพิสูจน์ได้โดยไม่ยาก คือถ้าหากไปถามในเรื่องที่เขาไม่ถนัดจะเห็นได้ชัดว่ามีการผิดพลาดอยู่มากแต่คนทรงก็ยังคงอ้างว่าไม่ใช่เขาตอบเองวิญญาณที่มาติดต่อเป็นผู้ตอบทั้งนี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกแต่เขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคำตอบที่มาจากวิญญาณที่มาติดต่อเพราะโดยปกติคนที่มีความสามารถแบบนี้ เขาจะรู้สึกจากภายในจิตใจของเขาเองว่าขณะนี้มีวิญญาณที่ไหนมาติดต่อหรือไม่ซึ่งข้อสังเกตอันนี้สําหรับคนที่มีตัวเป็นสื่อจะรู้ได้โดยไม่ยากเช่นเพียงแต่มีโอปปปาติกะผ่านเข้ามาใกล้ๆทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะติดต่อด้วยแต่เขาก็จะรู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ใกล้ๆเขาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น เขาจึงได้ยืนยันว่าไม่ใช่คำตอบของเขาคนทรงที่ไม่หมดความรู้สึกแต่ก็สามารถที่จะเข้าทรงได้ทั้งวันทั้งคืนนี้เวลานี้มีมากเพราะฉะนั้นคนที่สนใจในทางนี้จะต้องระวังไว้ให้ดีคนทรงเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกแต่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการจึงทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่ายทำให้เกิดความงมงาย เรื่องนี้มีโอปปปาติกะท่านหนึ่งซึ่งเป็นโอปปปาติกะชั้นปัญญาชนเข้าใจเรื่องในโลกมนุษย์ดีและเข้าใจเรื่องราวต่างๆในโลกของโอปปปาติกะเป็นอย่างดีท่านเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้มากท่านเห็นคนส่วนใหญ่กําลังงมงานในเรื่องเหล่านี้จึงได้บอกให้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ออกมาเพื่อเป็นการเตือนสติของผู้ที่สนใจเรื่องนี้ ส่วนการติดต่อกับวิญญาณโดยวิธีเข้าสมาธิไปติดต่อนั้นเรื่องนี้ยิ่งยากกว่าการเข้าทรงหลายเท่าเพราะผู้ที่จะสามารถเข้าสมาธิถึงขั้นนี้ได้จะต้องมีการเรียนธรรมะหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องอนัตตาต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งมากและจะต้องสามารถเข้าสมาธิไปแล้วไม่รู้สึกตัวแม้ฟ้าผ่าก็ไม่ได้ยิน และเมื่อเข้าไปแล้วจะไปตื่นข้างในพร้อมกับเห็นแสงสว่างเหมือนกับยืนอยู่ที่กลางแจ้งในเวลากลางวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสผู้ที่สามารถเข้าสมาธิได้อย่างนี้เท่านั้นจึงจะเชื่อถือได้ว่าสามารถติดต่อกับวิญ ญ, ญาณได้จริงแต่ก็ขอได้โปรดจำไว้ด้วยว่าแม้จะสามารถเข้าสมาธิได้ถึงขั้นนี้นก็ไม่ได้หมายความว่าได้ทิพยะจักสุ ราะถ้าได้ทิพยจักษุจริงจะสามารถมองฝามองกำแพงทะลุสิ่งที่อยู่ไกลเกินกว่าสายตาธรรมดาก็สามารถเห็นได้ซึ่งสมาธิขั้นนี้ยากมากส่วนสมาธิตามที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงขั้นต้นของทิพยจักษุหรือเรียกง่ายๆว่าหลับในสมาธิ ผู้ที่นั่งทางในแล้วบอกอะไรต่ออะไรได้ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีมากเหมือนกันซึ่งสิ่งที่บอกบางทีก็เป็นความจริงด้วยและผู้ที่สามารถนั่งทางในได้แบบนี้ร้อยเกือบทั้งร้อยในขณะที่เข้าสมาธิยังมีการรู้สึกตัวและในเวลาที่ต้องการจะเห็นอะไรก็จะมีนิมิตรปรากฏให้เห็นซึ่งนิมิตที่เห็นนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องราวอย่างตรงปตรงมาแต่มักจะเป็นภาพปริศนา ซึ่งจะต้องแปลความหมายอีกทีหนึ่งเคยทราบมาว่าบางคนก็สามารถทำได้ดีมากเรื่องนี้มีหลักอย่างเดียวกับเรื่องการเข้าทรงคือคนบางคนสามารถเข้าสมาธิได้ดีพอสมควรแต่ยังไม่ถึงขั้นหลับในสมาธิเวลาเข้าสมาธิยังรู้สึกตัวแต่เมื่อทาจิตใจให้สงบนิ่งได้แล้ว ก็จะมีภาพอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏให้เห็นแล้วเขาก็จะพยากรณ์ถึงเรื่องราวต่างๆจากนิมิต ท, ที่ปรากฏนั้นในกลุ่มคนประเภทนี้บางคนก็อ้างว่าเคยไปเห็นเมืองนรกเมืองสวรรค์มาแล้วได้เคยเห็นย ม, มาบาลเคยเห็นท้าเวสสุวรรณและใครต่อใครอีกหลายคนอันที่จริงสิ่งที่เขาเห็นนั้น เป็นเพียงมโนภาพไม่ใช่ของจริงและในบางครั้งภาพที่เห็นในใจเป็นภาพปริศนาหรือเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องแปลความหมายนั้นอันนี้เกิดมาจากความสามารถของจิตไร้สำนึกของผู้นั้นเองแต่ก็โปรดจำให้ดีว่าคนประเภทนี้จะมีความแม่นยำเฉพาะในบางเรื่องเท่านั้นคือ ถ้าหากเขาเคยมีความชำนาญในเรื่องไหนมาก่อนเช่นถ้าหากเขาเคยเป็นหมอดูที่เก่งและเชี่ยวชาญมาแล้วในชาติก่อนๆคนประเภทนี้เมื่อมาฝึกสมาธิให้ได้ถึงขั้นที่สามารถเห็นมนภาพได้ชัดเจนก็สามารถที่จะเป็นหมอดูทํานายได้แม่นยําอย่างน่าอาัศจรรย์เพียงแต่เขาอาศัยสื่อความรู้ในการดูลายมือหรือในการดูดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ หรือการดูบุคลิกลักษณะซึ่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีความรอบรู้ในวิชาที่ว่านี้จริงๆก็ได้แต่ก็สามารถที่จะทายได้ถูกอย่างน่าอัศจรรย์นั้นทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความสามารถของจิตไร้สำนึกนั่นเองแต่ก็อย่าลืมว่าคนประเภทนี้จะต้องมีสมาธิถึงขั้นเห็นภาพในใจชัดเจน ซึ่งเมื่อทำสมาธิขั้นนี้ได้และมีความชำนาญเขาก็จะสามารถเข้าสมาธิและอธิษฐานครั้นแล้วก็จะได้คำตอบตรงตามปัญหาที่ต้องการซึ่งหมายความว่าเมื่อมีใครมาถามเรื่องอะไรก็ตามเมื่อเขาได้ฟังปัญหานั้นแล้วเขาก็จะเข้าสมาธิไปโดยไม่ให้มีความคิดใดๆเกิดขึ้นทำใจให้ว่างจากความคิดทุกอย่าง ครั้นแล้วก็จะมีคำตอบผุดขึ้นมาเองซึ่งคำตอบที่ว่านี้ส่วนมากจะออกมาในรูปของนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งและจะต้องแปลความหมายกันอีกทีคนที่นั่งดูทางในแบบเนี้ยในเมื่อมีความแม่นยำในบางสิ่งบางอย่างจนเป็นที่เรื่องลือกันทั่วไปมีคนขึ้นมาก ความโลภความลืมตัวอาหางการกิเลสเหล่านี้เมื่อเข้ามาครอบงำแล้วก็มักจะทำให้คนประเภทนี้กล้าทำนายเรื่องราวต่างๆเกินขอบเขตที่ตัวเองมีความสามารถอยู่จริงๆครั้นแล้วก็จะเกิดความผิดพลาดซึ่งคนที่ไม่งมงายก็จะมองเห็นได้โดยไม่ยากจับได้บ่อยๆอันนี้เลยเป็นเหตุทาให้บุคคลที่เห็นความผิดพลาดนี้ลงความเห็นว่า ผู้ที่นั่งทางในเป็นคนหลอกลวงทั้งนั้นเขาแยกไม่ออกว่าแค่ไหนเป็นเรื่องจริงแค่ไหนเป็นเรื่องไม่จริงส่วนคนที่เชื่ออย่างหัวปักหัวปัมเพราะเคยพิสูจน์เห็นความจริงมาแล้วหลายเรื่องก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนคือไม่ยอมใช้เหตุผลเลยสักแต่ว่าเขาบอกมาอย่างไรก็เชื่อทันทีโดยไม่ต้องคิด บุคคลประเภทเนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันและคนประเภทที่เชื่อง่ายนี้อย่าคิดว่ามีแต่พวกที่ได้รับการศึกษาต่ำเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วคนที่มีความรู้มีปริญญาสูงสูงที่กลายเป็นคนงมงายไปก็มีทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยเมื่อเห็นคนที่อ้างตัวว่าติดต่อกับวิญญาณได้ หรือนั่งทางนายบอกอะไรต่ออะไรได้นั้นถ้าหากเราไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดแจ้งแล้วก็อย่าได้เชื่อเป็นอันขาดเมื่อเขาบอกอะไรก็เพียงแต่รับฟังเขาไว้ก่อนไม่ต้องไปคัดค้านหรือไปยอมรับฟังเอาไว้เฉยๆก่อนแม้ในรายที่เรามีความแน่ใจว่าคนคนนี้มีความสามารถจริงแต่ถึงกระนั้นก็ให้ระวังไว้อีกแง่หนึ่ง คือมนุษย์ที่เป็นปุถุชนนั้นบางครั้งจิตอาจจะตกได้ถ้าหากได้พบว่าคนที่อ้างตัวว่าติดต่อกับวิญญาณได้นั้นมีลักษณะไม่สุดจริตไม่กล้ายอมรับความจริงแม้ในส่วนที่จะทำให้ตัวเองต้องเสียหายบุคคลประเภทนี้ก็ควรต้องระวังเพราะในบางครั้งก็อาจจะหลอกเราได้เหมือนกัน รวมความแล้วก็คือผู้ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ลึกลับเหล่านี้ควรจะต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งอย่าได้ผลีพผลมเชื่ออะไรง่ายๆเป็นอันขาด